ใ, ใจที่เป็นกุศลนะบางอันดูเหมือนไม่เกี่ยวกับการภาวนาในใจที่คิดจะให้ไม่ได้ใจที่เห็นแก่ตัวภาวนาง่ายเพราะการภาวนานะเราภาวนาเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาภาวนาเพื่ออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากโน่อนอยากนี้ ลงมือพอนาเอาตัวเองออกไปลดละความเห็นแก่ตัวไปด้วยพวกเราทำงานไปพอนาไปมันสามารถทำได้แล้วก็ถ้ามีเวลาแล้วก็ทุ่มเทกับการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเราทำเราก็ได้นะเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีของแจกของแถมไม่มนะีอยู่ที่ต้องทำเอาเอง ค่ยๆฝึกตัวเองนะเบื้องต้นก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนแต่แรกทีเดียวต้องรักษาศีลไว้ก่อนคนไม่มีศีลไม่มีธรรมใจมันเบียดเบียนคนอื่นเราตั้งใจรักษาศีลคือเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาเหลือแต่เบียดเบียนทางใจแอบไปด่าเขาบ้างอะไรบ้างนะเขาขับรถปาดก็ด่าเข้าในใจบ้างบางคนออกมาทางกายกดแรแด่า นี้นเรามีศีล น, นะปิดกัน้นการไปทำบาปทำอาคุศลทางกายทางวาจาไปลุกรานคนอื่นกันถัดจากนั้นฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรีว่าจิตมีสมาธิจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตล่อนเล่ไปฟุ้งซ่านไปเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านไม่มีสมาธนะิฟุ้งไปในกามมั้งไปหาอารมณ์ที่ชอบใจ ฟุ้งไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจโกรธคนน้องคนนี้คิดถึงเขาไปเรื่อยนะใจก็ฟุ้งไปฟุ้งไปในพยาบาทที่ก็ฟุ้งไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแส่สายตลอดเวลาเรียกว่าอุทัจจะฟุ้งมากก็หงุดหงิดใจลำคาญใจอโอ้น่าลำคาญฟุ้งมากหรือใจลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ฟุ้งไปหาเหตุผลไปคิดวิเคราะห์วิจัยวิจาร วิจิกิจชาเกิดก็ทําให้ใจฟุ้งซ่านกามาฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดก็ใจฟุ้งซ่านอยากได้มือถือใหม่อะไรเงี้ยใจก็ฟุ้งซ่านพยาบาทเกิดขึ้นนะใจก็ฟุ้งซ่านไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดนะไปคิดถึงของที่ไม่ชอบบางคนพยาบาทกระทั่งหมานะหมาข้างบ้านเห่าหนวหูตอนเราจะนอนนะี่แค้นแค้นมันหลวงพ่อเองแหละก่อนแค้นมันมากเลยนะถึงจะนอนนะ เห่าอยู่ได้ทั้งคืนนะไปชะโงกหน้าต่างดูมันเห่าอะไรมันเห่าพระจันทร์โอ้ถ้ามันเห่าลมพัดไปไม้ไหวเห่านะยังคอยคอยช่วยนั่ดูพระจันทร์แล้วก็เห่าเหมือนร้องเพลงเล่นกันเนะลยเราจะนอนนะอยากหาอะไรกว้างหัวมันนะนี่พยายาทใจคอยคิดถึงหมาถ้าตายตอนนั้นไม่มีรอดเลยแต่ตอนนั้นหมาแงะเลยแม่ก็ตกนรกเลยนะ เนี่ยพอใจพยาบาทใช่ไหมเราก็คิดถึงใจฟุ้งซ่านเราก็คิดไปเรื่อยๆใจรังเลสงสัยเราก็คิดเรื่อยๆใจหัดหูนะก็คิดเหมือนกันนะคิดคล่ำครวญลำพึงลำพันงั้นนิวรนเกิดขึ้นนะใจอย่าฟุ้งซ่านใจอย่าไหลไปคิดลหลงหลงไปไหลไปลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจงั้นเราต้องฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้สึกกายรู้สึกใจได้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมีสมาธิถ้าจิตไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็ไม่มีสมาธิฟุงซ่านนี่ทําไงจิตใจจะอยู่กันเนื้อกับตัวแค่คอยรู้ทันนะว่าจิตหนีไปล้วนะรู้ทันไวๆจิตมันก็กลับมาเองไม่ต้องดึงไว้เลยง่ายๆ ง, ง่ายสุดๆแล้วเป็นกรรมฐานที่ง่ายมากเลยสําหรับคนในเมืองก็คือการดูจิตตัวเองนั่นเอง ถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็รู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดรู้กายรู้ใจขึ้นมาได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีใหม่หนีใหม่รู้ใหม่น ะ, ร, ะรู้ปั้มก็กลับมารู้สึกตัวได้จิตหลุดออกจากโลกของความคิดเวลาจิตลืมตัวเองนั้นจิตไหลไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ตื่นรู้สึกตัว นี่เรารู้สึกตัวบ่อยๆนะนี่เป็นกรรมาฐานที่ง่ายๆนะอ่านประวัติหลวงปู่มั่นที่อาจารย์มหาบัวเขียนตอนนั้นท่านให้มาเล่มนะปกเขียวๆปกอ่อนๆหน้าเจหรือ77นะ็ดสบบอกหลวงปู่มั่นสอนฆราวาสบอฆราวาสเนี่ยท่านสอนทานศีลภาวนาให้ทำทานให้รักษาศีลภาวนาพอถึงขั้นภาวนาท่านสอนให้ดูจิตนะ ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองไปจิตมันไหลไปแล้วรู้นะให้พุทธโธไว้ะพุทธโธไว้หรือรู้ลมหายใจไว้ก็ได้เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตมันหนีไปมันก็ทิ้งพุทธโธไปก็ดูง่ายว่าจิตหนีไปแล้วเพราะมันทิ้งพุทธโธไปหรือเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยนะถ้าจิตมันลืมลมหายใจเนะี่ยแสดงมันเผลอไปแล้วพอจิตเผลอไปเรารู้บ่อยๆนะต่อไปพอเผลอแวบมันจะรู้สึกขึ้นเองจะเผลอสั้นลงสั้นลงนะ นี่สอนคารวะท่านสอนอย่างนี้นะสอนดูจิตดูใจสอนมานานแล้วนะไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกคนนึกว่าหลวงปู่ดูลเป็นต้น ต, นตำรับดูจิตหลวงปู่ดูลก็เรียนจากหลวงปู่มั่นนั่นแห ล, แลนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลนะบอกสัเพสังคาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัเพสังคาราสัพพสัญญาณตา สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี่สอนดูจิตนะไม่พูดคาว่าจิตสักคําเลยสอนรู้ทันสังขารคือความปรุงของจิตงั้นรู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะั้นถ้ารู้ทันแล้วความปรุงแต่งดับไปมันก็เจอจิตนะแต่ไม่รักษาไว้นะแค่รู้รู้ว่าจิตมีอยู่เห็นจิตมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ปรุงแต่งขึ้นมาหลงไปคิดอีกแล้วไหลไป ตัวรู้ก็หายไปนะกลายเป็นตัวหลงจิตก็เกิดดับนี่ดูอย่างนี้จิตเกิดดับได้อีกแล้วเห็นเลยว่าลำพังมีสัญส ญ, ญาเอ้ยมีสังขารความปรุงของจิตนะแล้วก็มีจิตที่เป็นคนรู้เป็นคนปรุงแล้วเป็นคนถูกปรุงนะลำพังมีแค่สภาวะธรรมสังขารกับจิตนะความทุกข์ยังไม่มนะีอาศัยสัญญาเข้าไปหมาย หมายผิดผิดว่านี่เป็นตัวเป็น ต, ตนของเราความโลภเกิดขึ้นจิตไปรู้ว่าความโลภเกิดขึ้นน่จริงๆจิตไปปรุงความโลภมาก็สัญญาไปไหมายผิดผิดนะว่าเราโลภมีเราขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นแ <c oughs> ทนที่จะรู้ทันสภาวะเนี่ยเห็นสังขารคือความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แทนที่จะเห็นสภาวะธรรมพาความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธ เราไม่รู้ทันนะสติไม่รู้ทันสัญญามันครอบงำเลยหมายรู้ผิดๆเลยกลายเป็นเรากโกรธพอเรากโกรธโกรธอะไรโกรธคนโน้นโกรธคนนี้โกรธหมาโกรธแมวนะมีคนมีเรามีเขามีหมามีแมวเนี่ยอาศัยสัญญาที่ไปหมายรู้ผิดๆเองนะนี่พระหลวงปุณณ์ท่านได้เรียนตรงนี้มานะจากหลวงปู่มั่นนะท่านก็มาดูสภาวะ เห็นสังขารเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจิตก็ เ, เป็นคนรู้อยู่นะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดสำคัญมั่นหมายหลุดจากสัญญาไม่ถูกสัญญาหลอกลวงนะรู้สภาวะตามที่เขาเป็นจริงๆในสุดท่านรู้เลยสิ่งทั้งหลายนะสังขารทั้งหลายมันปรุงขึ้นมาเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะเกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาสัญญานี่แหละ เข้าไปปรุงให้เกิดความเป็นตัวตนไปหมายผิดๆก็เกิดตัวตนขึ้นมานะแต่ถ้าสังขารปรุงนะสติปัญญารู้ทันสติปัญญาทำงานแทนที่จะสัญญาเก่าๆทางานด้วยความเคยชินก็จะเห็นว่าไม่มีตัวมีตนความเป็นตัวตนจะเกิดขึ้นไม่ได้น่งความตนตัวตนจะไม่มีนี่ท่านจะเห็นเลยมันไม่มีตัวตนนะในสังขารทั้งหลายก็ไม่มีตัวตนในจิตทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตน เนี่ยดูไปเรื่อ้วยนีหลวงปู่มั่นเลือกมาสอนหลวงปู่ดูลบางส่วนไม่ได้สอนให้ทั้งหมดนะท่านไม่ได้สอนถึงตัวเวทนานะท่านสอนสัญญาสังขารแล้วก็จิตสอนสามอันแค่นี้ก็พอลนะนี่บางคนต้องดูเวทนานะให้มีเวทนานะมีสัญญาเข้าไปหมายเวทนาเกิดขึ้นเมื่อตาหูจมกูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ พอมีผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยจะเกิดขึ้นก็ตากระทบรูปใช่ไหมตาขนาดที่ตาเห็นรูปความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นทางใจนะหูกระทบเสียงความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยความรู้สึกเฉยเฉเกิดขึ้นกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เกิดสุขเกิดทุกข์ทางกายนะแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆทางใจได้นะเกิดได้เป็นปรุงต่อนะเนี่ยสักเวทนามันทํางานนะทํางานขึ้นมาสัญญาเราหมายเข้าไปหมายผิดๆนะกลายเป็นเราเราเจ็บเราปวดเราสุขเราทุกข์ขึ้นมาแต่นะถ้าสติ ป, ปัญญามันทํางานแทนจะเห็นเวทนาศักิ์แต่ว่าเวทนานะ ความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจสักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตก็ไม่ปรุงต่อมันไม่ใช่เราปวดเราเจ็บเราสุขเราทุกข์แล้วเป็นแค่สภาวะธรรมนะดูอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจะดูทางเวทนาถ้าดูมาทางเวทนามีสัญญามีจิตเนี่ยจะเป็นเวทนานุปัสนาดูสังขารสัญญาดูจิต เ, เป็นการจิตตานุปัสนาะดูจิต ้เราดูจิต ด, ดูใจแต่บางคนก็ดูควบไปทั้งสัญญาทั้งเวทนาอาศัยสัญญานะเวทนาเกิดสังขารยากไปไหมรู้สึกว่าธรรมะจะยากไปไหนชักหน้าตาชักเออเออแล้ว <c oughs> <c oughs> บางทีเทศเทศเราก็อยากให้อะไรได้บ้างนะวันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะฟังฟังไว้ วันข้างหน้าเราได้ใช้แน่นอนมีเวทนานะเวทนามาจากการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาเข้าไปหมายเป็นเราสุขเราทุกข์ขึ้นมานะมีตัวมีตนขึ้นมาเลื้อใสสังขารมันปรุงขึ้นมานะแล้วสัญญาเข้าไปหมายก็มีตัวมีตนขึ้นมาได้อีกงั้นตัวสัญญานี่แหละตัวหลอกลวง วันนี้ที่ยากหน่อยเพราะหลวงพ่อพูดเรื่องตัวสัญญาปกติไม่ค่อยได้สอนเรื่องตัวสัญญาสัญญาเป็นตัวไปหมายแต่สัญญาที่พวกเรามีเนี่ยเป็นสัญญาวิปลาสปุถุชนสัญญาวิปลาสทั้งหมดเพราะงั้นขณะ น, นี้พวกเราสัญญาวิปลาสไม่ได้แปลว่าบ้านนะมันหมายผิดผิดมันหมายว่ามีตัวมีตนนะความสุขเกิดขึ้นมันก็ไปหมายว่าเราสุข หรือความสุขของเราความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปหมายนะว่าความทุกข์ของเราหรือเราทุกขนะ์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงนะนี่มีเราขึ้นมาหมดเลยมีเรามีเขาขึ้นมาอาศัยสัญ ญ, ญาเนี่ยเป็นตัวหลอกหลวงนะหลอกลวงแล้วปรุงความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราดูการทำงานนะเวทนาเกิดขึ้นเรามีสติปัญญารู้ทัน สัญญาวิปลาสไม่ทำงานจะเห็นเวทนาไม่ใช่เราจิต ท, ที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เราร่างกายหรือจิตใจที่เวทนาไปอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เรานะสังขารคือความปรุงเกิดขึ้นในจิตถ้าสติปัญญามันทำงานจะเห็นสังขารก็ส่วนสังขารนะจิต ท, ที่ไปรู้สังขารก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะั้นอย่าปล่อยให้สัญญามันหลอกลวงเราตลอดนิรันดร ให้ปัญญามันทำงานขึ้นมานะสติปัญญามันทำงานขึ้นมาแทนสัญญานะมีสติรู้ทันสภาวะที่กำลังเกิดเวทนาเกิดก็มีสติรู้ทันมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่นก็มีสมาธิปัญญาทำงานก็เห็นว่าเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้เวทนาไม่ใช่เราร่างกายและจิตใจที่เวทนาไปอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เรานะ มีสติอยู่นะสังขารปรุงขึ้นในใจกุศลอกุศลทั้งหลายปรุงขึ้นในใจมีสติรู้ทันมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าสังขารก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตที่เป็นตัวปรุงสังขารตัวจิตที่ถูกสังขารปรุงก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่จะเห็นอย่างนี้นะงั้นจุดสาคัญนะั้นที่เราจะหลุดออกจากโลกของสัญญาได้ มีสติรู้สภาวะทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีจิตเป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะถูกความปรุงแต่งลากออกไปเราสังเกตดูจิตของเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราไหลตลอดเวลาดวกไหมจิตไหลไปตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลวิคิดนะ ไหลไปกังวลว่าไม่มีที่เดินจงกรมบาคนคิดใหญ่เลยไม่มีที่เดินจงกรมโธ่เดินในบ้านมันก็เดินทุกเก้าที่เดินมันก็เดินนะบางคนเคยเดินในสวนสาธารณะเกินไม่มีสวนเดินกลุ่มใจแล้วรู้สึกภาวนาไม่ได้มันมีเงื่อนไขอะจริงทุกก้าที่เดินนะรู้สึกไปรู้สึกไปอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องมีที่เนียบเงียบไปเดิน ถ้าต้องเนียบๆก่อนถึงจะเดินนะ ว, วันไหนไม่มีที่เนียบๆ เ, เดินนด้ก็ ร, รู้สึกภาวนาไม่ได้เราไปสร้างเงื่อนไขหลอกตัวเองไหมพยายามรู้สึกตัวเรืๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกตัวที่คอยรู้สึกนี้เรียกว่าสติตัวรู้ทันนะขณะที่รู้เนี่ยใจต้องไม่ไหลไป ใจของเราปกติไหลตลอดเวลาไหลไปไหนดว อ, อกไหมไหลไปทางไหนได้ไหลไปได้หกทางไหลไปทางตาไหลไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลไปทางอายตนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจอายตนะทางเชื่อมต่อต่อกับโลกภายนอกอาศัยอายตนะจิตมันไหลไปแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เนเบื้องต้นนะถ้าคนไหนยังไม่ชำนาญที่จะรู้ทันว่าจิตไหลไปทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานอย่างหนึ่งซัก่อนจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก็ได้จะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้จะรู้อิริยาบทสี่ก็ได้นะจะดูเวทนาก็ได้จะดูจิตก็ได้อะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิต ถ้าเมื่อไรจิตลืมเครื่องอยู่อันนี้แสดงว่าหลงไปแล้วไหลไปละไหลไปที่อื่นงั้นเวลาเราพุโทโธนะเราคอยสังเกตพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดให้รู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตมาเพ่งอยู่กับการบริกรรมพุโทโธให้รู้ทันจิตไปเพ่งได้ก็ไหลเหมือนกันไหลไปนิ่งๆเวลาลรู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน นะหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปอย่างนีนะ้ดูท้องพองยุบนะจิตนี้วิคิดเรื่อง ร, อรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตไหลวิคิดเรื่อง ร, อรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันนะจิตไหลไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยก็รู้ทันรวมความแล้วจิตไหลไปไหนรู้ทั น, ททนไว้เรืนะ่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอดีพอดี เนี่ยเรียกมีสมาธิแล้วพอมีสติมีสมาธิปัญญามันทำงานแทนสัญญาละเนี่ยสัญญามันหลอกนะจิตไม่มีสมาธิจิตไหลๆๆไไปเดี๋ยวถูกหลอกง่ายพวกร่อนเร่โดนหลอกง่ายพวกอยู่ในบ้านหลอกยากหน่อยเนี้ยมีจิตนะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะสติระลึกรู้กายปัญญาจะทำงานไดนะ้กายนี้ไม่ใช่เรา ถ้ารู้กายแต่ใจไม่ตั้งมั่นนะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดสัญญามันหลอกอันนี้ร่างกายเราเนะนั้นฝึกนะขันห้าเป็นตัวสภาวะธรรมเรามีหน้าที่ไปรู้มันนะขันห้าคือรูปเวทนาสังขารวิญญาณเป็นตัวสภาวะล้วนๆเลยนะเราคอยรู้ แต่ขันห้าพิเศษตัวหนึ่งตัวสัญญาชอบหลอกลวงนะเวลาเราไปรู้รูปสัญญาก็หลอกว่านี่ ร, ร่างกายเรานะไปรู้เวทนานี่เราสุขเราทุกขนะ์ไปรู้สังขาร น, นี่เรากุศลเราเป็นกุศลเราโลภเราโกรธเราหลงนะไปดูจิตนี่แหละตัวกูละ่นะตัวเราละ่ะจิตนี่แหละคือตัวเราละ่ะ สัญญามันทํางานหลอกลวงได้นะเพราะสติปัญญาเนี่ยมันสู้ไม่ไหวเนี่เราพัฒนาสติปัญญานะให้ใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไว้เรียกว่ามีสมาธิมีสติรู้กายด้วยจิตที่มีสมาธินะปัญญาจะเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้อยู่ห่างๆออกไปแล้วไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาเกิดขึ้นสติรู้ทันนะ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็เห็นเวทนาอยู่ห่างๆเวทนาไม่ใช่ตัวเรากุศนละกุศล ah, เกิดขึ้นนะสติรู้ทันนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นว่ากระทั่งโลภโกรธหลงยังอยู่ห่างๆเลยพวกเราเห็นบ้างไหมเห็นไหมกิเลสอยู่ห่างๆดูออกไหมความสุขความทุกข์ก็อยู่ห่างๆร่างกายก็อยู่ห่างๆดูออกก็ยังมีใครยังไม่เคยเห็นร่างกายอยู่ห่างๆบ้างมีไหม วันนี้ไม่ r e s p สปอนเลยฮะรู้สึกหน่อยถามหน่อยถามหน่อยขอมือหน่อยนะใครยังไม่เคยเห็นเลยร่างกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันนะยกมายกมานะหลวงพ่อจะได้ดูว่าจะต้องช่วยเหลือใครเป็นกรณีพิเศษเนี่ยพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวยกกันใหญ่เลยนะอยากเป็นคนพิเศษเนะ ถ้าเราใจตั้งมั่นนะถ้ามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทุกสิ่งที่จิตไปรู้เนี่ยอยู่ห่างๆนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆจะเห็นเวทนาอยู่ห่างๆจะเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยอยู่ห่างๆทั้งหมดเลยอยู่นอกๆนะถ้ามีไงจิตจะตั้งมั่นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะต้องไปซ้อมเอา หัดพุทโธหัดรู้ลมหายใจหัดรู้ท้องพองยุบหัดรู้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เรียนเรียนกันนั่นแหละแต่แทนที่จะสงบอยู่กับกรรมฐานอันนั้นอย่างเดียวแต่เดิมอยู่กับลมหายใจแล้วก็สงบอยู่กับลมแล้วพอใจแล้วแค่นั้นดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่กับท้องแค่นี้พอใจแล้วขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ในมือนะสงบแล้แค่นี้พอใจแล้ว แค่นี้ไม่พอนะเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มอีกนิดเดียวไม่ยากเท่าไหร่สังเกตที่จิตรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้นี่ฝึกอย่างนี้นะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเมื่อไหร่จะเห็นร่างกายก็แยกออกไปความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปกุศลอกุศลก็แยกออกไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลไปคิดไหลไปเพ่งนะ ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นนะเนั้นตอบแล้วนะว่าทำยังไงเราจะเห็นร่างกายแยกออกไปได้ทําไงจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปได้แยกจากอะไรแยกจากจิตนั่นแหละร่างกายไม่ใช่จิตเวทนาไม่ใช่จิตกุศลอกุศลไม่ใช่จิตสุดท้ายจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่จิตนะตอนนี้ยากหน่อยเห็นได้ไหมจิตไม่ใช่จิต ยากยากอยู่นะตอนนี้เห็นร่างกายไม่ใช่จิตนะเห็นเวทนาไม่ใช่จิตเห็นสังขารไม่ใช่จิตโดยงนี้ไปก่อนมันไม่ใช่จิตเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอยู่มันแยกออกจากจิตจิตมันแยกตัวออกไปเหมือนอย่างเราเห็นพัดเนี่ยพวกเราดูพัฒนหน่อยสิดูพัฒใครรู้สึกว่าพัดนเป็นตัวเราบ้างยกเว้นคนชื่อพัดนะถ้าคนชื่อพัดบอกพัดนนี่แหละคือตัวเรา ทำไมเราไม่มีความรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราพัดมันอยู่ห่างๆรู้สึกไหมมันอยู่นอกๆถ้าเมื่อไหร่ใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเราจะเห็นร่างกายเนี่ยอยู่นอกๆ ก, กายกับจิตนะจะมีช่องว่างเลยกั้นอยู่ห่างออกไปเหมือนอย่างพัดกับตัวเราตอนนี้ห่างๆกันนะเฉะนั้นอยู่ที่ตัวสําคัญนะที่เราจะเห็นตรงความจริงได้คือดูแบบคนวงนอกจิตนั้นทําตัวเป็นคนดูเองแล้วเห็นสังขารร่างกายเห็น เวทนานั้นทํางานไปเหมือนดูคนมงนอกทํางานนะร่างกายก็เป็นคนมงนอกนะเวทนาก็เป็นคนบงนอกสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็เป็นคนมงนอกเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะดูอย่างนี้เรื่อยไปวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันสรุปได้ใจยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ ตอนนี้ที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราเห็นว่าสังขารไม่ใช่เราเนี่ยมีคงมีเป็นหมื่นละนะนับจำนวนไม่ถูกไม่ท่วนละมีทั่วโลกเลยนะเห็นมันแยกออกไปหมดหนะึ่งท่านอาจารย์องค์ที่มีอุบัติเหตุศรีรษะท่านบุปถ์เนี่ยท่านเจ็บมากท่านเจ็บนะร่างกายเจ็บ หลวงพ่อก็บอกท่านดูเวทนาเมื่อก่อนท่านไปศาลาลุงชินประจะําบอกท่านเจ็บดูไปเวทนาไม่ใช่ร่างกายเวทนาไม่ใช่จิตท่านดูนะมันแยกกันได้กระ <'t> จายออกจากกันนะแต่ละอันแต่ละนไม่มีเราดูลงไปเด้วยจะเห็นว่าไม่มีเรา<ๆ>สุดท้ายจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นธรรมชาติรู้นะเด<ส>ี<ส>๋ยวก็เป็นธรรมชาติรู<ส>้เด<ส>ี๋ยวก็เป็นธรรมชาติหลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงแปลปรวนเหมือนกันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกัน ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงจิตเนี่ยดูตัวอื่นให้ออกก่อนแยกตัวที่ไม่ใช่จิตออกไปก่อนร่างกายไม่ใช่จิตนะร่างกายอยู่ห่างๆร่างกายอยู่ห่างๆได้เพราะจิตมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะต่อไปก็แยกเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆในใจนะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตอีก ต่ rồi, ไปก็ดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตอีกอะไรถูกรู้ถูกดูนั้นไม่ใช่จิตหรอกเพราะจิตนั่นแหละ là, คือผู้รู้ผู้ดูสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเรียกว่าอารมณ์เราะงั้นมันไม่ใช่จิตนะอารมณ์นี่เป็นศัพท์เฉพาะทางศาสนา พ, พุทธนะแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ออบเจกติฟตัวออบเจกอารมณ์ไม่ใช่อนะิโมชันเพะงั้นสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดสิ่งใดเป็นอารมณ์สิ่งนั้นไม่ใช่จิต จิตอารมณ์กัอารมณ์เป็นของที่คู่กันมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเป็นของคู่กันถ้าอันหนึ่งหายไปอีกอันหนึ่งก็หายไปด้วยนะนี่เราค่อยๆหัดสังเก ต, ตไปนะจนเราแยกได้ไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูร่างกายถูกรู้ถูกดูเวทนาถูกรู้ถูกดูนะสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนี่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตนี่นายเป็นผู้รู้ผู้ดูพอเจอจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อย่าไปเพ่งจิตนะ เราปล่อยให้จิตทํางานตามธรรมชาติเราก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเมื่อไหรรู้สึกตัวอยู่นะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตั ว, ต ก, ก, ตวก็เป็นผู้รู้เมื่อไรขาดสมาธิจิตไหลไปก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทศท่านสอนตัวนี้มากท่านบัญญัติศัพท์ขึ้นคู่หนึ่งว่าจิตกับใจนะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะของท่านนะคําว่าใจของท่านก็คือตัวผู้รู้ ใจนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งท่านบอกจิตอันใดใจอันนั้นคือจริงๆเป็นธรรมชาติรู้ด้วยกันแต่ธรรมชาติรู้ว่าหนึ่งรู้แบบฉลาดมีสติมีปัญญามีความตั้งมั่นก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเดี๋ยวพอขาดความตั้งมั่นจิตก็ไหลไปก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราดูสิจิตของเรามี2ออย่างนี้นะถ้าจิตของเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วนะสังเกตไปตัวผู้รู้นี่ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดถ้าสำนวนหลวงปู่เทศนะไม่ใช่ว่าเราดีกว่าอาจารย์นะอาจารย์เราก็ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่ า, าพูดให้ภาษาให้คนรุ่นนี้เข้าใจง่ายพูดคาว่าจิตกระใจฟังแล้วค่อนข้างงงนิดนึงนะสำหรับคนยุคนี้นะซึ่งห่างเหินเรื่องจิตใจจิตภาวนาอ่อนหน่อยนะหลวงพ่อเลยใช้ศัพท์ใหม่นิดนึงว่าสังเกตไหมเดี๋ยวมันเป็นผู้รู้นะเดี๋ยวมันเป็นผู้คิดใช่ไหม ผู้รู้ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมผู้คิดเที่ยงไหมผู้คิดก็ไม่เที่ยงคนที่ไม่ภาวนานั้นผู้คิดเที่ยงไหมเที่ยงหรอไม่เที่ยงเวลานอนหลับไม่ได้คิดเห็นไหมเวลาจิตลงผวังไปไม่ได้คิดนะเราะฉนั้นตัวผู้รู้โดยตัวของมันก็ไม่เที่ยงนะตัวผู้คิดโดยตัวของมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาทีไรนะคิดทั้งวันเลยไม่เคยมีตัวผู้รู้ก็เลยรู้สึกว่าตัวผู้คิดนี่เที่ยงเกิดทั้งวัน แต่พอเรามีตัวผู้รู้มาขั้นนะเกิดตัวผู้คิดมาหนึ่งชั่วโมงเกิดตัวผู้รู้หนึ่งหนึ่งวินาทนะีเราจะเห็นในอดีตส่วนอดีตนะปัจจุบันส่วนปัจจุบันโคนละอันกันนะงั้นการที่เราฝึกให้มีตัวผู้รู้ขึ้นมาเป็นช่วงๆช่วงๆมาขั้นมันจะตัดชีวิตของเราให้ขาดเป็นท่อนๆ น, นะถ้าไม่มีตัวผู้รู้เลยจะมีแต่ตัวผู้คิดตัวผู้หลงคิดนึกปรุงแต่งหลงทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเราเลยรู้สึกเที่ยง จะรู้สึกว่าตัวผู้คิดนี่เที่ยงแต่พอเกิดตัวผู้รู้แทรกขึ้นนะจะเห็นเลยตัวผู้คิดนั่นขาดไปแล้วชีวิตขาดเป็นท่อนๆแล้วชีวิตตะกี้หลงไปคิดชีวิตขณะนี้รู้สึกชีวิตที่รู้สึกนั้นอยู่ชั่วคราวก็กลายเป็นชีวิตที่หลงไปคิดอีกแล้วแล้วก็เกิดชีวิตที่รู้สึกขึ้นมาอีกเนี่ยจะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงนะถ้าแบบหลวงปู่เทศบอกเดี๋ยวก็เป็นจิตคือผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นใจคือผู้รู้นะ จริงครูบาจารย์ท่านก็สอนไว้ถูกเป๊ะๆนะงั้นเราสังเกตไปนะั้นกระทั่งจิตเองก็เกิดดับนะเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันอื่นๆนั่นเองจะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้คิดสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะแสดงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเนี่ยเราดูลงไปด้วยนะ ร่างกายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เรานะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอยู่ห่างๆเวทนาก็เป็นอนัตตานะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูอยู่ห่างๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตสังขารก็เป็นอนัตตานะถูกรู้ถูกดูอยู่ห่างๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตจิตเองก็เกิดดับเรื่อยๆบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะดูไปเรื่อยในในสุดปัญญามันแจ้งอยู่ในขันห้านี่องโธ่ถูกสัญญาหลอกว่าเป็นตัวเรามาตลอดนะ พอพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาต่อไปสัญญาหลอกไม่ได้แล้วนะสัญญาตัวหลอกลวงหลอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเพราะปัญญามันทํางานแทนสัญญาซะแล้วน ะ, ะไปทานข้าวกันเดี๋ยวก็รู้รถจะหลอกไหม <c oughs> ตักอาหารคนเขาแซงหน้าดูซิสังขารจะหลอกไหมนะ